เมื่อสมัยมัธยมต้นกับปลายที่เห็นการโป้ปวดมดเท็จเป็นเรื่องท้าทายความสามารถว่าจะทำหน้าตายหลอกชาวบ้านในแนบเนียงขนาดไหนในช่วงนั้นจิตเหมือนติดต่อรับรู้โลกความจริงแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งอุดอู้อยู่ข้างในต้องคอยระวังกลัวใครเขาจะรู้ความลับจิตแบบนั้นจะเชื่อและหลงว่าตัวเองเก่งแต่ขณะเดียวกันก็กลัวพลาดถ้ามองออกมาเป็นลักษณะเดียวเดียว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 ถูกสอนให้เชื่อสิ่งที่ตาเห็นแล้วหูได้ยินมากกว่าใจสัมผัสแต่ถ้าใครมีโอกาสเจอผู้คนหลา ย, ลายประเภทชนิดรู้จักหน้ารู้จักนิสัยลึกๆบางทีก็สั่งสมประสบการณ์สัมผัสทางจิตพอจำแนกคนด้วยกระแสจิตได้เหมือนกันแต่คงไม่มีคุณภาพแม่นยำแจ่มชัดได้เท่าผู้ที่ฝึกรู้เวทนาสัญญาสังขารของตนเองอยู่ตลอดเวลาแน่นอน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 ใจก็เหมือนถูกเสียดสีด้วยอกุศลละธรรมอยู่ไม่ขาดเมื่อคิดถึงคำหยาบอันเป็นวจีทุจริตอีกชนิดหนึ่งฉันก็เกิดความคิดชนิดจิปาถะขึ้นคือรู้ว่าคำหยาบหมายถึงถ้อยคาสับอันเผ็ดร้อนเป็นไปเพื่อความระคายโสดรากของคำเหล่านั้นส่งมาจากจิตที่มีโทสะเป็นฐานอยู่แต่เหตุใดในบางสูตรเช่นปิดลินทวัชสูตร จึงแสดงไว้เป็นหลักฐานว่าพระอรหันยังพูดคำหยาบได้อยู่กล่าวคือมีภิกษุนามว่าปิลินทวัชะชอบเรียกใครต่อใครว่าไอ้ถอยไอ้ถอยจนพระในเวรุวันต้องไปทูลฟ้องพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ท่านก็เรียกมาสอบสวนพอพระปิลินทวัชชะยอมรับตามนั้นจริงพระาศาสดาก็กำหนดดูอดีตชาติของท่านแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือโทษวัชชภิกษุเลยวัชชะภิกษุหาได้มุ่งประทุษร้ายในขณะเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าไอ้ถอยวัชชภิกษุเกิดในสกุลพราหมณ์ห้าร้อยชาติไม่ขาดสายก็แต่ว่าที่เรียกใครๆเป็นไอ้ถอยนั้นวัชชภิกษุประพฤติมานานและด้วยความเคยชินนั้นจึงมาประพฤติอีกในการนี้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 ขนาดนั้นเองพอเอิญฉันปั่นจั ก, กรยานมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างเสริมเติมอาคารเบื้องหน้ามีคนงานก่อสร้างชายหญิงค่อนข้างมีอายุห้าคนกำลังดุ่มเดินจะกลับบ้านกลับช่องทั้งหมดคุยกันเสียงโุมในอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อฉันจะขี่จั ก, กรยานผ่ากลางพวกเขาซึ่งเดินอยู่เกือบเต็มถนนก็กาหนดจิตให้ยางจักรยานบดกรวดหินบริเวณนั้น ด้วยกระแสสะเทือนแบบจงใจให้เข้าหูพวกคนงานจะได้รู้สึกตัวและหลีกทางกันเพราะฉันกำลังขี้เกียจ ร, ร้องบอกขอทางด้วยปากอาจจะด้วยความขี้ตื่นหรืออาจจะเพราะกระแสจิตชั้นแรงไปหน่อยเลยมีผู้ชายคนหนึ่งที่ยินเสียงยางบดถนนดังแกรบกราบไล่หลังมาเกิดความตะหนกตกใจขวัญบินดูแลเขาคงนึกว่าเป็นรถใหญ่หรือมอเตอร์ไซค์ที่ควบมาอย่างบ้าเลือดจะเข้าชนหลัง เลยตาเหลือกกลางปีกเอียงกับเทเร่หลบเข้าข้างทางพร้อมกับตะโกนเสียงดังเป็นของลับเพศชายที่อยู่ในสภาพยับเยินขณะเดียวกันพักพวกที่มาด้วยกันก็พลอยแตกตื่นขวัญหนีตามเพราะนึกว่าคนแรกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงกระเจิงไปในทิศทางตรงข้ามพร้อมอุทานดังๆคล้ายของลับเพศหญิงตกหลนที่หนองน้าแถวนั้น เรียกว่ากางปีกหลบไปคนละทางสองทางด้วยอุปาทานพาไปกลายเป็นภาพหน้าขบขันที่ฉันอดกัดปากขำไม่ได้และอึดใจต่อมาก็ได้ยินเสียงพวกเขาหัวเราะไล่หลังคือเมื่อเห็นเสือหมอบของฉันผ่าวงไปก็โล่งอกที่ไม่ใช่รถใหญ่ดังอุปาทานฉันไม่ได้หันหลังมาขออโหสิที่ทำให้ตกใจโดยไม่เจตนาแค่เดาถูกว่า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 หาใช่เพราะขนาดนั้นมีจิตมุ่งร้ายใครดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในปิลินทวัชสูตรเป็นใจความสำคัญว่าวัชชภิกษุหาได้มุ่งประทุษร้ายไม่ขณะเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าไอ้ถอยเมื่อปราศจากเจตนาประทุษร้ายจิตผู้พูดย่อมไม่ถูกปรุงเป็นสภาพหยาบแต่คนในโลกย่อมไม่อาจทราบวาราจิตของกันและกัน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 หรือกระทั่งยั่วยุให้ก่อว่าจีทุจริตปานใดก็ไม่มีดำริคิดพูดในทางร้ายจากฉันเลยรวมทั้งการพูดเล่นเพอ้อเจอ้อเล็กๆด้วยทั้งนี้ด้วยความปรารถนาเดียวคือทำองค์มรรคให้บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้